ขอความสุขความเจริญจึงมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิจัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวัติรัตป า, ารสีรักอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังแสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรพยักษ์ก็เน่นทุสัจจะของชีวิตในแง่ของความเป็นจริงก็คือพูดเรื่องอนิจจงทุกของอนัตตาและตัณหา ในจางทุกขออ์านตานั้นก็เป็นเรื่องของทุกขสัตว์ตหาก็เป็นเรื่องของสมุทัยสัตว์แล้วก็มีความเกี่ยวโยงเ อ, อ่อเกี่ยวเนื่องยึดโยงซึ่งกันและกันอยู่คำมุธนั้นสรุปแล้วก็เป็นสี่ประการประการแรกโลกคือหมู่สัตว์อัญชารานำไปใกล้ไม่ยั่งยืน ประการที่สองโลกคือมูสัตไม่เป็นใหญ่จำพอ่อตนจะต้องลาทิ้งสิ่งทงกงุวงไปโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนและโลกคือมูสัตรพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จกยิ่มแหงเป็น่าแต่งตัญหา ท้องก่อนมาผู้พูดถึงช่วงที่ท่านพูดเรื่องบุญเรื่องบาปโดยท่านหลวงประมาเห็นว่าเหมโจรผู้มีบาปที่ถูกจับได้ในที่เกิดเหตุต่อไปก็จะประสบความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเอตามาเดือดร้อนเพราะอะไรก็เดือดร้อนเพราะการลักขโมยของตัวเอง ประจักษ์ผู้มีบาปประ ร, รมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอยู่ในโลกนี้ก็จะมีความเดือดร้อนลาโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนมากจริงเพราะอะไรต่อพราะกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้และต้องก็แสดงถึงสภาพของวัตถุกราม ประตุการก็คืออารมณ์โลกเราก็เจอเรื่อยแหละเพราะว่าอารมณ์โลกมันก็มีเท่านั้นความจริงแล้วการทั้งหลายนั้นก็มีความวิจิตคือสวยงามตามที่ใจคนไปกำหนดว่าสวยงามน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจ จากใบที่ใจเขายังกาหนดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับเขารถก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือมีรสอร่อยก็สำหรับคนที่ใจเขากำหนดว่ารสชาติอย่างนี้อร่อยต้งสังเกตว่าความวิจิตก็ดีความอร่อยก็ดีความน่ารื่นรมย์ก็ดีความสวยงามก็ดีจอมหอมก็ดีเป็นต้นนะฮะพูดง่ายๆว่าอารมณ์โลกเนี่ย มันก็เป็นอย่างจริงจริแต่คนจะมีความรู้สึกต่อมันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจที่เก็บสะ ส, สมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้แล้วการสะ ส, ส, สมความรู้สึกเหล่านั้นนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคล้ายๆกับเรามอง ดอกบัวในสระนา้าตั้งแต่ตอนใกล้รุ่ง ม, มาและสมมติว่าก็นั่งอยู่ในร่มแหละก็นั่งเพ่งดูไปตลอดเราก็จะเห็นดอกบัวกำลังบานแล้วก็บานไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงดย ดอลลอื่นก็ง้องโผลขึ้นมากำลังจะบานกำลังบานแล้วก็รุนแรยก็ อ, อีตอนสวยงามนี่ตอนกำลังเบ่งบานอยนู่มันจะสวยงามแต่เราจะเห็นว่าเป็นความจริงที่ปรากฏในขณะหนึง่งตามเหตุปัจจัยของมันแต่พอจุดหนึ่ง ตุดอวาสารก็จะบังเกิดขึ้นนั้นก็คือร่วงโรยไปในคำพีรพุทธศาสนามีพระเป็นนั้นมากที่แต่รู้ว่าผลเป็นพร ะ, ะบุคลด้วยการมองสิ่งที่สวยงามดูรูปที่สวยฟังเสียงที่ไพเราะดมกลิ่น ท, ที่หอมดินมรสที่ยอร่อย เราก็จับต้องในสิ่งที่น่าจับต้องพอปัญญาเบียดแทรกเข้าไปความเป็นจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่า น, นั้นก็จะปรากฏขึ้นแล้วจิตใจของท่านจะเริ่มเริ่ม เ, มเบือนนายคลายกำนัดไปโดยลาดับถึงจุดหนึ่งก็มันเกิดความคิดที่จะสลัดออก แรงอารมณ์ที่ทำให้จิตไปเกีย่ยวเกาะอยู่เป็นเวลานานบอกก็จริงมันก็ตกอยู่ในกฎเดิมกฎไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาลังกาวตอนความมิจิตสวยงามอะไรต่างๆในโลกไม่ใช่ปฏิเสธว่ชาวโลกไม่รู้สึกอย่างนั้น แต่ว่าตราบใดที่โมหะยังปิดบังเหตุผลสติปัญญาอยู่การมองเห็นอย่างนั้นก็จะบังเกิดขึ้นพยายามใดที่ถูกประจับโมหะออกไปในราคาความกำหนัดในโลภา ค, ความโลภ ก, ก็จะจางขายไปความรู้สึกเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ของ ที่ทำให้บุคคลเป็นภริยากับอารมณ์ที่ทำให้คนตกนรกที่จริงเป็นอารมณ์เดียวกันอารมณ์ที่ทำให้คนตกนรกมันก็กลายเป็นอาจแ ก, กรร่กำโลภขึ้นโลภมากขึ้นโกรธมากขึ้นกำหนัดมากขึ้นหลงมากขึ้นะอะรมนั้นนั่นเองแหละเมือนก็ใใจเหตุผลสติปัญญา ให้พวกโลกกนลงตั้งามก็ลดลงลดลงลดลงแล้วก็ช่วยให้ท่านเข้าถึงความจริงที่แท้จริงไปโดยลำดับก็อย่างในกรณีของพระจิตหัตถกะเทระนี่ชัดเจนมากคือท่านต้องสุดมาถึงเจ็ดครั้ง เพราะว่าจิตมันไปตรึกนึกเหนียวนึกด้วยความสวยงามของพัญญาพนมีจิต ก, กำนัดเพื่อเฟิดมากก็อยู่ไม่อยู่ควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ก็ต้องศึกษาลาเพศออกมาดูร่วงกับพัญญาแต่ว่าสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้ในขณะที่บวชเป็นพระอยู่มันก็มีอยู่ภายในใจ พอข้อมูลสองด้านมันเริ่มใกล้เคียงกันขึ้นเนี่ยมาเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดไปเรื่อยๆ่าสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่พระท่านสอนเนี่ยอะไรคือความจริงล่ะเอาความจริงที่แท้จริงน่ละต่อมาการบวชครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการยืนเพ่งี่นิด คันยาของตัวเองซึ่งนอนหลับกลางวันแล้วก็มังท้องแก่อยู่มีเสียงโกลนสนัน่นภาาผลก็ดู ด, ด้วยแต่ดูไปดูมามันก็กลายเป็นสากศพอย่างที่เคยพวกเรเคยเห็นพิจจรนาไปพิจจรนาไปจะรื น, นิจังทุกังนัาตาไป และเกิดเบื่อนายบรรลุมพระผลเป็นพระหันตัดชินใจเด็ดขาดเพราะใส่รูปร่างกายนี้เองเป็นเหตุให้เราเที่ยวบวชเที่ยวศึกอยู่ตั้งเจ็บครั้งเจ็ดคราวันนี้ก็จะบวชอ่ะแล้วก็บวชจริงด้วยแล้วในสุดบ้านก็เดินพิจารณาไปเรื่อย ลเลยไปขอบวชอีกเพื่อนก็นึกถ่ายไว้ในใจทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรตอนแกบวชแกเป็นพระที่ดีตอนแกศึกก็เป็นคารวะที่ดีไอ้สิ่งที่ท่านติดมันไม่ใช่อย่างอื่นก็คือปัญญาพอทรัพย์สมบัติก็ไม่มากอานาเขายากจนแต่ก็ติดอยู่ที่ตัวพัญญานั่นแหละ ปัญญาเองก็คือก็คือรูปจริงกินรถปุถะปาธรรมานุปเนื้อตัวของปัญญาทั้งหมดมันก็เป็นรูปสิ่งกินรถพุถะปาธรรมาลุแล้วก็บวชทีหลังก็บำเพ็ญเพียรตามอารมณ์ที่ได้เห็นปัญญานอนหลับตอนกลางวันนั่นแหละไม่กี่วันท่านก็มาดูมักผลเป็นพระหันไปได้ ผนเราจะเห็นว่าข้อที่ท่านบอกว่าความจริงการทั้งหลายมีจิตมีรสอร่อยน่ารื่นรมใจยอมย้ายีจิตด้วยลั ก, ก, ลกษณะลักษณะของ เ, อเสียงอย่างนี้เราชอบกลินอย่างนี้เราชอบรถอย่างนี้เราชอบสัมผัสอย่างนี้เราชอบรูปอย่างนี้เราชอบเสียงอย่างนี้เราชอบ มันก็ไปกำหนดในจุดตรงนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจในจุดติดย่อยอย่างนี้เพราะเราบอกสมัครความรู้สึกของท่านก็ชอบอยู่นั่นมีก็แสดงให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดกำหนดไม่เหมือนกัน มันก็อยู่ที่การปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลแต่ท่านก็ย้ำว่าขอถวายรพระพรมหาบุพพิสพระธรมาภาพเห็นโทษในการมคุณอเขือนโทษของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสกันแต่ท่านมองในลึกซึ้งคือไม่ได้มองเฉพาะตัวปัญญา มองหมดทุกสิงทุกอย่างทางบ้านเรียนทรัพย์สินคารทรสินเงินทองต่างๆเนี่ยมองเป็นของที่จะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาในการครากจากกันในที่สุดแล้วก็ได้เป็นสินใจออกบวชจากนั้นท่านก็กล่าวว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ เมื่อร่างกายดับไปก็ย่ตอตตายตกไปเหมือนผลไม้หล่นผลไม้หล่นเนี่นนรุงสังเกตว่าอุปมาดีมากนะคือต้นไม้ที่เรานิหายเข้าไม่ได้วนะ่าผลระดับใดที่จะควรหลน่นมันตั้งแต่เริ่มออกดอกมามันก็หล่นเข้ามาเลยนะแล้วก็หล่นทุกช่วงทุกจังหวะ ผลถงก็ผลสุกเหลืองก็ลดนอย่างแก่ก็ลดนรื่างอ่อนก็ลดนยีโพธมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราตายในทุกวัยตายในทุกขณะอันนี้มิตรกำหนดหนดหมายอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกาหนดหมาย ที่บ่งชีเอาไว้ซึ่งที่จริงก็เป็นความดีอย่างหนึ่งปีแปลว่าคนคนหนึ่งีนรู้ว่าอายุยี่สิบตัวเองต้องตายแล้วอายุยี่สิบตายเลยไม่ต้องรู้ไม่จะเรียนหนังสือก็ทำอะไรพอเรียนจบเสร็จก็ตายพอดีก็เลยไม่เรียนกัน เพรในความจริงเหล่านี้มันถึงเป็นเครื่องมืออย่างดีบางอย่างก็ช่วยกปิดเอาไว้เพราะถ้ารู้ไปเนี่ยเดี๋ยวอย่างขํอมูจีนเ้าเรียกว่าเผย อ, องค์การสว่เนหรือจะเป็นโทษหรือถ้าเรามีตัวอยางอย่างรู้เราจะตายเมื่ออยู่ตอนนั้นตอนนั้น คนคิดไม่เป็นมังจะปล่อยการเวลาหผ่านพ้นไปยังไงเราก็ตายแล้วแต่ถ้าคนคิดเป็นว่าโอ้เวลาชีวิตสัน้นเกินทำยังไงจะรีบเร่งทำความดีเจิงกว่าจะสิ้นลมปรานพยายามทำให้มากที่สุดปั๊กพอนหน้อยๆสนุกสนานหน้อยๆ พยายามหาสาระแก่นสารในแก๊สชิเหมือนที่เราอยู่ในเรือนซึ่งไฟกบบังลุกไหม้เนี่ยอะไรสามารถเราออกมาได้ก่อนก็รีบออกมาเพราะถ้าไม่ถ้าไอย่างนั้นมันก็ถูกไหม้ไปหมดในเรือนนั่นแหละสถนการไม่รู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ยิ่งแต่ว่ามาถึงแม่เนี่ยคนที่รับรู้เขาคิดเป็นไงถ้าคิดเป็นก็ได้ประโยชน์เยอะแต่คิดไม่เป็นมันก็ปล่อยปล่อยชีวิตลุ่มเพลิลุ่มพัดไปเรื่อยๆไม่กี่วันก็ตายแล้วหรือบางทีก็หาสนุกสนานได้เต็มที่ไม่กี่วันก็ตายแล้วเกี่ยวเสรเต็มที่กินได้เต็มที่อุทัยอย่างนั้นโลกมันก็ยุ่งเหมือนกันนะ มันค่อนข้างท้าทายสติปัญญาเหตุผลของมนุษย์เรา้าหากว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีเหตุผลในการมองในการคิดก็น่าจะปล่อยชีวิตเลวไหลร้ายสาระไปดังกล่าวก็ได้ท่านบอกว่าขอถวายพระพรมหบพิด อาตมาภาพรู้แจ้งเหตุมีแล้วจึงได้ออกบวชความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติมันไม่ผิดเป็นสิ่งที่ประเสริฐแทรเพราะว่าเทียบเวลาของชีวิตเทียบเวลาของชีวิตเคยตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่ง วันก่อนก็ก็ทำอะไรละเจ็ดสามสัปดาห์ในวันมรณภาพของเจ้าคุณสมเด็จพยยระญาณวุฒิบรมผู้รัสิทธิกหาก็ไปกันมากไปเจ็มไปหมดเลยของสาลากนี่ล้นออกมาอยู่สาลกากกลางน้ำล้นออกมาข้านอกตอนายุเก้าสิบสาม แดยจากการที่เคยไปงานศพชาวบ้านที่แก่แล้วอายุร้อยกว่าเราจะเห็นว่าจะมีคนมาเผาไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าตอนช่วงที่ท่านแกน่ท่านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมมากเพราะว่าบาิทีสังคมก็ลืมไป คนรู้จักแต่พอเรายิ่งแก่ขนาดเก้าสกว่า็ยังทำ ง, งานงเพื่อประชาชนบานทีก็ใช้บา ร, รมีเฉยๆอย่างเราทราบข่าวกิจกรรมของเจ้าพกลเสม็ดสังการาชจริงๆก็ทรงประชวดมาตั้งแต่สองพันห้าร้อย อะไรละห้าสิบสี่สี่สิบสี่เป็นต้นทุกวันเนี่ยเด็กก็ทรงลำบิดบางทีก็สั่งลูกสิษย์บางทีก็พูดเราคนนั้นคนนี้ประรุบตุภัยของราชดรในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลก็ไปช่วย ก็ไปชนดั้นเท่าไรละ่ะ97นะครแต่ยังมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวหดีรับรู้ันสังคมสังคมได้รับผลประโยชน์จากขันแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ปรมาทมันเป็นหลักการที่สำคัญ จะจะส่งแสดงว่าคนเราแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยกี่แต่ถ้าอยู่ด้วยความโมโ ห, มหมประมาทแล้วก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่โมโ ห, ม ห, มหมประมาทไม่ได้แต่ว่าเรเห็นว่าค่าพิชัยจริงของชีวิตนันอยู่ที่การใช้ชีวิตในแต่ละขณะเราคุณใช้ชีวิตไปอย่างไรล่ะ แต่ชาชีวิตไปเกิดประโยชน์มันก็ทำประโยชน์อะไรได้มากพอสมควรแต่้าชีวิตไม่เป็นบริหารชีวิตไม่เป็นปล่อยไปตามการเวลาหลายปีมาแล้วนะฮะไปพบกับท่านจะคุณรูปหนึ่งเมื่อก่อนเขาวก า, าก็เก่งนะฮะทำงานคล่อง ด้วยกิจกรรมพระศาสนาเอาจริงเอาจังในเรื่องเอาเรื่องต่อมาก็เกิดมีปัญหาอะไรกับมิสระแต่ก็อยู่แถวโคราชก็ไปเจอกันที่โคราชถามว่าเป็นไงเจ้าคุณทําอะไรบ้างบอกไม่ได้ทําอะไรระเวิดนี้ก็หายใจจิิงหายใจควา้างไปอย่างนั้นนะวันวันก็อยู่ก็เป็นวันวัน ก็บอกท่านว่าก็น่าเสียดายอยู่มีกำลังวังชามีความรู้ความสามารถมีฝีมือที่จะทำงานอะไรได้อยู่รับใช้าชาสนาได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ได้โ อ, อกาสตรงนั้นตั้งก็ฟังแล้วก็ดูซุนๆไปแต่ก็ไม่ได้อธิบายชี่แจงอะไรหรอกแลวเราก็ไม่อยากจะไปซักซ้ายไล่เดียงอะไร่นัน เพียงแต่ว่าท่านก็มองเห็นนะฮะแสดงว่าท่านก็มองเห็นว่าชีวิตที่ใช้อยู่ในขณะนั้นๆมันเป็นการหายใจที่หายใจความไปเฉยๆปัญหาสําคัญมันก็อยู่ที่การคิดว่าเรื่องนั้นนั้นเราคิดเป็นไงในแง่ของความเป็นจริงคนเราเมื่อทําอย่างหนึ่งไม่ได้เราก็ทําอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆละ่ะ ที่ยังไม่มีอะไรสมมติว่าเป็นพระเนี่ยไม่มีภาระหน้าที่อะไรที่ทางคณะสงฆ์เขามอบหมายให้เราก็ศึกษาจะใไปบิดกอันตระาไปฟังรายการธรรมะไปไหว้พระสูตรวนไปจเจริญกรรมาฐานไปแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ เพิ่มคุณความดีให้แก่ตัวเองสูงขึ้นไยสั่งไปวันก่อนได้อ่านก่อนที่จริงไม่เค่ อ, อ่านนะคือฟังเขาอัดเทไปไว้รประวัติของสมเด็จพระสัสงฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรศิริวัฒน์อดีตเจ้า ว, วาดวระราชบพิษ เจาคุณสมเด็จพระสังฆราชวัชนมภาเทระในเล่าสมัยที่ท่านเป็นพระจุนล น, นิสนงฆ์ก็คือเป็นฐานานุกรมในเจกาคุณสมเด็จพรสังฆราชมี่อท่านทรงไปชวนเวลาถ่ายเบาในออกมาเป็นโลหิตแล้วก็นอนทําความสนุก สงบนิ่งไม่พูดอะไรกันเดี๋ยวก็เสียงอุทานเกิดขึ้นว่าทุกอย่างสงบหมดแล้วทุกอย่างสงบเย็นหมดแล้วตะวงนเสด็จประสังการาอายวงศากตายานเนี่ยคือท่านคิดเปอีกเรื่องนี่ย ที่ท่านอธิบายเนี่ยแสดงว่าท่านคิดไปอีกเรื่องหนึ่งว่าเป็นการพลัดพลาดจากไปแต่มาวามเองแล้วก็ตื่นเต้นนะคือแสดงว่าท่านเจริญกรรมฐานอยู่ตลอดแล้วก็ดูจิตอยู่ตลอดดูกิเลสอยู่ตลอดเมื่อเห็นกิเลสมันสงบความทุกข์มันสงบ ก็แสดงว่าความทุกข์สงบหมดนี่ก็กิเลสหมายความมาต้องดับไปเยอะก็เรียกว่าจุดมองไม่เห็นกิเลสแหละแล้วก็มองไม่เห็นความทุกข์เป็นความพร้อมที่จะสิ้นไปหมดเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจะอยู่หัวท่านแสดงการตายให้ อาจจะพิดาดูบุคคลราที่ตายเป็นนะเขาตายยังไงไปเดี๋ยวพอจะตายให้ดูนะแล้วทำกระวายพระสดมนิติปิโสสวัสดโตสุปฏิโนอะไรก็ว่าไปเถอะแล้วกําหนดจิตแยกจิตออกจากกายแม้กายเราจักกระสับกระสายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระสาย คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วแล้วก่อนนั้นเป็นการให้สติแก่เราเองวันเาทศตตางโลกัซึ่งอย่างอุปาณิยามานังอนาวะชงังนะจ๊สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลเข้าไปยึดมัน่นหรือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่มขกฎหมายความมันจะเรินเรื่องอนัตตา ทันถนัดเรื่องอนัตตา嘛มมาปริพนต่างเพาท่านเป็นมาที่เน้นไปที่เรื่องอนัตตาแล้วก็พุโตจนหายไปเลยเป็นหลับไปเลยก็เรียกว่าตายเป็นทีนี้ถ้าหากว่าคนเราได้ใช้ความพยายามตรงนี้ฝึกจะร ก, กรนอนในดูลมไปทีเลย หลับตรวไหนก็ช่างดูลงเพื่อจะให้หลับด้วยให้สงบด้วยนั่นแหละแต่ว่าหลับอย่างสงบมีความสงบเป็นตัวนำฝึกไปได้มากได้น้อยก็ทำไปตามกำลังความสามารถของตัวเองชีวิตการบวชนี่ที่จริงก็แปลว่าเว้นบาปนะคำว่าบวช แต่เว้นบาปควาหมายความมันทั้งทุกคนนั่นแหละก็เว้นบาปได้อยู่แล้วไม่ทําบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปมันก็เว้นบาปรูปแบบเครื่องแต่งนวดแต่งตัวโกงผมไม่โรงผมนุง่งผ้าสีอะไรไม่ได้เกี่ยวนั่งเกี่ยวที่สภาพของจิตจึงสงบจากบาปได้เนี่ยเป็นประการสําคัญ นั้นท่านจึงบอกว่าความเป็นสมมาเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเนี่ยก็มีทานการบริจาคการให้การเลี้ยงดูมารดาบิดา แ, า, บาและการบระชาคือการเว้นบาป เป็นคำสอนที่มีมาแต่โบราณพระพุทธเจ้กาก็ทรงรับรองว่าเป็นอปันนากาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดแล้วลองคิดดูนะว่าสังคมเราสำหรับตัวเราเองเราเวนา้นแบบสำหรับพ่อแม่เราทนุบำรุงเลี้ยงดูรักษาท่าน สำหรับสังคมเราแสดงความผิดมิตรด้วยการแบ่งปันให้ปันโดยการสงเคราะห์้วยการนั่งกันถ้าสังคมเราอยู่ได้อย่างนี้มันก็สงบนะปัญหาความขัแดแย้งต่างๆมันไม่เกิดหรอกเพราะที่เกิดนั้นหมายความว่าตัวเราเองแต่ละคนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยไม่เว้นบาป แล้วก็มีท่าทีต่อสังคมโดยขาดความมีน้งใจแล้วก็ขาดสานึกกตัอยูกตเวทีต่อบุพการีคือมารดาบิดาจะเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าโอกาสที่จะให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็ยากพอเราขาดเครื่องยึดเหนี่ยวใจ ยึดเหนี่ยวใจเราด้วยการไม่ทำบาปยึดเหนี่ยวใจพ่อแม่โดยแสดงเป็นลูกกตัญญูยึดเหนี่ยวสังคมด้วยการเสียสละเอาสามอย่างก่อนนั่นเองครเอาสามอย่างไว้ก่อนก็เป็นหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมกันมีน้ำใจมีความเอื้อเฟือ้อมีความอบอุ่นอารีไปจจะใส่ซึ่งกันและกัน ท่านๆจึงบอกว่าการบวชนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้แล้วก็กลับมาที่เดิมคือกลับมาที่คำถามของพระเจ้าโก ร, ระยะถึงสาเหตุในการบวชจะถามบวชเพราะอะไรไม่เห็นัขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขมีฐานะมากังรับรวยอยู่บวชให้ทำไม เขาให้ผลว่าอาตมาภาพนั้นออกบวช ด, ด้วยศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์พระเจ้านั้นทรงเป็นต้นแบบแล้วแสดงให้เห็นว่าผลจากธรรมปฏิบัติเนี่ยทำให้บุคคลสูงสุดที่จริง มีปัญญาเหนือใครจริงๆมีความบริสุดิ์เหนือใครจริงๆมีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงแล้วเข้าถึงการปฏิบัติชอบในพระศาสนาของพระจินเจ้าพระธรรมนั้นเป็นคำสอนที่ผ่านการปฏิบัติมันเกิดจากสัมผัสตรงของพระพุทธเจ้า พระเจ้าทรงตรั ส, สรู้แล้วก็นำมาสแสดงที่แจงสั่งสอนแก่บุคคลให้ทราบไปเพราะฉะนั้นก็น้อมนั่นธรรมะมาประพปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ทำให้การบรนประชาของท่านเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าใครก็ตามที่จริงไม่ใช่เฉพาะพระแล้วนะะเพราะว่า ที่เป็นพระพุทธปณิฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเฉพาะแต่พูดถึงพุทธบริษัทว่าปรองดำรงประชนอยู่เพื่อให้การศึกษาให้พุทธบริษัทได้ศึกษาในพระสัจธรรมทั้งสาประการประการที่สองให้พุทธบริษัทที่ได้ศึกษาพระสัจธรรมมาแล้วนั้นนำพระสัจธรรมไปประฤปฏิบัติ แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเขาก็ย่อมสัมผัสผลตามสมควรแก่การปฏิบัติและจะเกิดเมตตากุณาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นต้องการให้เขาได้รับผลจากธรรมะปฏิบัติ ด, ด้วยออนำธรรมะเผยเผยแผ่ชี้แจงแสดงสังสอนประกาศแก่ประชาชนทั้งหลายอย่ามีป ร, รับประวาดมีการกล่าวจุ้งจาบิดเบือน ใส่ไรพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะใส่ไรพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์หรืออะไรก็ตามที่มันจะมีผลกระทบต่อ ว, วิกฤ ต, ติศรัทพุทธบริษัทจะต้องสามารถแก้ไขประรัปร ะ, ประวารต่ตอ น, นั้นให้ยุติลงได้ด้วยความเรียบร้อยและองค์ก็จะไป น, นิพพานแล้นเราจึง แบ่งเป็นพุทธบริษัทออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นไปตามความสมัครใจว่าวเออขนาดใจขนาดไหนล่ะขนาดที่จะออกบวชเป็นนักบวชก็ว่ากันไปยังไม่พร้อมที่จะออกบวชก็ประกาศตนเป็นพุทธบริษัท รักษาศีลให้ทานรักษาศีลมีเมตตามีสัมปสัญจะมีอดทนมีอะไรแต่อะไรต่างๆก็ตามกําลังความสามารถที่จะกระทได้การักษาศีลครบห้าวางวางมาวันธรรมะสวรรคก็รักษาใหครบแปดรักษาศีลโสถเจริญสมาธิบ้างไหว้พระสูตรบนบ้าง ฟังธรรมบ้างปฏิบัติธรรมบ้างตามโอกาสแันสมควรมันก็เป็นการทำหน้าที่สืบสานอายุพระพุทธศาสนาทีนี้การบรรพชาของพระธิดาต้องกล่าวว่าอัตมภาพไม่เป็นหนี้ฉันโพชนาการหมายความว่าการบูตรเป็นพระในแง่ของความจริง ที่สมมูรณนะฮรคือหมายความว่าบางทีดีมันใช้สถานภาพของความเป็นพระไปบริโภคอาหารของชาวบ้านแบบขโมยคือพราที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักของพระธรรมดีไหนก็แสดงบริโภคอาหารแบบขโมยทีนี้ถ้าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบพอสมควร แต่ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรก็ยังถือว่าเป็นหนี้อยู่ทีนี้อย่างพระรัตภัลละหรืพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ เ, เรียกว่าสามีบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นเจ้าของแล้วก็ถวายพระสุปฏิปนโนกันเป็นพระสุปฏิปนโน ตอนการบริโภคของท่านก็บริโภคจางเป็นเจ้าของคือไม่ได้เป็นหนี้ก็ต่อไปท่านบอกว่าอนตามาภาพเห็นการทั้งหลายโดยความเป็นของร้อนเห็นทองทั้งหลายโดยเป็นสัตรวภูตอันนี้น่าคิดนะฮะหมายความวัตถุการมทั้งหลายที่ยิงทองมาก็วัตถุกรรมมืกันนะั่นแหละ แต่พอดีประรบสมบัติทรัพสมบัติของท่านอยู่การทั้งหลายนั้นให้เห็นว่ามันเป็นของร้อนเพราะจะมีแต่ความวิตกกังวลหูลใหญ่เครียดเวลานี้ใครพกพางเงินทองอะไรไปไหนมาไหนนี่ก็ยุ่งยากแล้วหรือบางทีคนจะฝากเงินเป็นแสนนี่ไม่กล้าพกไปละไมใช้ การโอนผ่านธนาคารไปพอทีนแต่เงินจะเป็นแสนเนี่ยก็สยองกันนะเืินค่าจริงทรัพย์จะตอนไหนก็ไม่รู้ตีทองเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นที่มายความาเป็นสัตราลเป็นสัตราที่จะดึงอันตรายมา สู้ชีวิตของเราได้อย่างพรภาิาจีนที่บอกว่าคนไม่ผิดดอกผิดที่มียกติดตัวปัญทองเหมือนก็บหยกเหมือนก็บคำพีเหมือนกับของที่คนยื้อแย่งกันทั้งหลายเนี่ยใครครอบครองสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงอย่างหมู่บ้านในชนบ ท, ทานามีฐานะมั่งคั่งด่ำรวยเก็บเงินไว้ที่บ้านเนี่ย มันก็น่ากลัวนะคือแสดงว่าชีวิตทุกลมหายใจก็ออกเนี่ยมันเสี่ยงอยู่ตลอดระยงเวลาเดินจะมาต้นอุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราก็ครองอยู่ในขนาดนั้นมันนำภัยมาให้ คนจนสามารถที่จะนอนเป็นเพลิงเป็นอะไรต่ะไรก็ได้ก็ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าถ้ามีเงินทองครอบครองอยู่มก็เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายเห็นทุกข์ตั้งแต่การก้าวลงสู่คันเป็นภัยใหญ่ในนรกจึงออกบวช เมื่อคามเอาคนเราพออย่างถือไปสนที่ในครันมารดาแล้วความเกิดกับตัวผู้เกิดความเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้คนเกิดแล้วเมื่อเป็นคนผู้เกิดมันก็มีตัวนตนรัโศกกับภัยอันตรายต่างๆไปในครันของมารดาแม้จะมีอะไรหอหุ้มอยู่ ก็เถอะแต่ว่าที่ทนอธิบายนะฮะท่านอธิบายว่าบางทีมารดาไปรับประทานอาหารของผิดของร้อนเข้ามันก็เหมือนกับฝนฝฟายตกลงมาบนศีรษะของลูกลูกก็จะประสบความเดือดร้อนตามไปเพราะ่านมองเห็นตั้งแต่การย่างลงสู่ขันมารดา ก็เหมือนกระภัยในในรกแล้วก็ซ้ำชาติในสุดก็ออกบวชทั้งที้ท่านบอกว่าอัตมาภาพเห็นโทษอย่างนี้แล้วจึงท่ายความสังเวชใจในครั้งนั้นนี่กลับไปตอนบวชนะฮะเล่าตอนบวชาาการตัดสินใจบวชเนี่ยมันก็เกิดจากที่พระพุทธเจ้าสงสดง คือรู้รแต่จ้าทรงแสดงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแสดงกับชาวบ้านเนดีย๋ยวแสดงเรื่องทานเรื่องศีเรื่องสวรรค์นั้นเรียกว่าโลกีธรรมแห ล, ละเดี๋ยวนั้นจะแสดงโทษของกรรมอามเดี๋ยวอนนี้สงก็การออกจากกามแล้จากนั้นจะทรงแสดงกรรมวิธีที่จะให้ออกจากกรรมก็คือหลักของอริยสัจสีเขาเรียกว่าสามภูรานุศาสนี คือคำสอนที่ทรงสั่งสอนมากแสดงไว้มากพอทรงสแสดงอย่างนั้นทรงสั่งสอนในลักษณะนั้นเปนดตาละตะปาละกุลบุตรในคราวนั้นนะนะท่านก็ฟังความธรรมเทศนาในแนวนี้แล้วก็มีความรู้สึกรู้สึกว่าอาตมาเป็นผู้ถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นในแทงแล้ว เพราะว่าสังคมอราร ย, ยันจะถึงทุกวันนี่แหละและ้วคนมนุษย์จะวหวกันตามความจรงิงหมายความผู้ชายคนนึงก็มีเมียได้หลายคนก็เป็นความพอใจเป็นความสมัครใจเป็นค่านิยมในสังคมกันโดยเห็นว่าอย่างเนี้ยยังพวกนักถือสลามนะอย่างนี้อย่างแม้แต่ครอบครัวคนจีน สมัยก่อนเนี่ยเราจะพบว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนไทยเราก็เหมือนกันครอบครัวญาติสมัยนั้นก็เหมือนกันก็เรียกว่ามันวัฒนธรรมมานไหลผ่านหลายผ่า น, ลาานแล้วก็เห็นคล้อยตามกันเพราะท่านก็มองเห็นว่ามันไฟคือราคาแงพงเปียกแพงอยู่ตลอดระยะเวลา แต่ว่าบันนี้บรรลุถึงความสิ้นอสาาวาแล้วอสาาวานั้นก็จะยิงก็คือไฟกามอสวาอาสวาคือกามก็คือไฟคือกามว่าอสวาอสวาคือาาคือพบคือความเป็นในด้านต่างๆแล้วก็วิชาอสวอาอสวาคือวิชา ประเด็นต่อไปเป็นการอธิบายขยายความถึงผลสมัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการทำให้อาสวะหมดไปสิ้นไปบอกว่าพระาศาสดาตรรมาภาพอยู่ใกล้ชิดแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมภาพได้ทำเสร็จแล้ว ราพินากก็โปร่งโลงได้แล้วศาสนาที่นำไปสู่พบใหม่ก็ถอนขึ้นได้แล้ว้เรื่องใหญ่นะสี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยประโยชน์มีคือความสิ้นไปแห่งสัญน์ทั้งปวงที่กุลบุตรปลุกออกจากเรือนบวชมาบวชเป็นบรรพชิตต้องการกันอัตมาภาพก็ได้บรรลุแล้วตามลำดับ วันเมื่อเรามองประเด็นต่างๆตลอดถึงอัตถกถาที่ท่านเน้นย้ำประเด็นบางประเด็นก็ทมให้เรื่องพระรัตปาราชจะต้องพบกันเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในตอนต่อไปเพราะว่า แ, แนวมันจะคล้ายกันแหละเราเห็นว่าพระคาถาสองข้อหลังเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับของพระญาโปูนธัญญาที่กล่าวไว้ในวันก่อน พระสมบัติสิ่งเหือนกันเนี่ยพอหมดอาสวะแะ้วมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นการพูดระดับสูงเพียงแต่ว่าผลเหล่านี้มันเกิดมาจากข้างล่างเกิดมาจากต่ำไปหาสูงเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้ลดหลั่นกันลงมาได้ตามลาดับต้องฝังตัง้ล เสียงธรรมจากมหาพิจาัยสีปทุมในวันนี้พอยุติไว้โดยเวลาที่กำหนดที่สุนีขอความเจริญมโอ ง, งามไปบูรในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี